บางครั้งห้าร้อยถึงหกร้อยบางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิน้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมาก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 เห็นเล่าทุเรศปลงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติ ต, ตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกหัวเราะเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผี มาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปักคลองศารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้เราจะไม่ตายทิ้งเ ป, ปล่าๆทั้งที่บ้ายัางติดตัวไปด้วยเหลหรือท่านพูดแล้วหัวเราะ ก, กันไปพักหนึ่งผู้เขียนก็ปากอยู่ไม่สุขจึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการย่างเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไป โลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอกเมืองนาเขายังนำมาเล่า ก, กันฟังได้และนำออกกิจการจากเมืองนอกมาปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตนโดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศปฏิบัติตามได้เช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กำลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งหัวดื้อรั้นเหมือนคนเมืองอื่น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 ถ้ามนุษย์ได้รับการแนะนำแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะ ก, กันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้ผู้เขียนว่าคำพูดของท่านมักพิสดารเกินไปถ้าขืนทำตามท่านผมต้องไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่จะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัย เพราะเขาหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นและจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆเพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูสงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้วยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประนามถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไร ตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาญาหานคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรมมาใช้ในเมืองมนุษย์เลยแม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเท่าทูลธรรมะดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี่เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมะสอรรค์ที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เรา ถ้าเราไม่งงจนเกินไปเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองมิได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ปรากฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนำเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องซวยที่สุดสำหรับผู้จะเริ่มคิดนำธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทาไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิด ผู้เขียนเรียนท่านว่ากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเองถ้าท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลําพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมะต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรม บางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมะสังโยชนเบื้องต้นบางพวกชอบฟังสังโยชนเบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชนเบื้องต่ำมากกว่าบางพวกชอบฟังธรรมจักกปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังหะธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆต่างๆกันตามจานวนของพวกเทพที่มานั้นๆ บางมีความรักชอบธรรมะไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพระมิหานบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆที่เขาชอบต่อไปท่านว่าเทวดาเคารพรักท่านมากไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลย อยากให้ท่านพักอยู่กับเขานานๆขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นเทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมากกลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์แล ะ, จะเจริญธรรมบทเมตตาเขามีความทราบซึ้งในธรรมะที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจมิได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆ